วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเก้าอุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฟังธรรมคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐ เป็นคำที่เราชาวพุทธเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาว่าพระเพื่อเป็นการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ความจริงชื่อของนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี้เรียกว่าภิกษุหรือภิกขุ ภิกษุนี้เป็นภาษาสันสกฤตส่วนภิกขุนี้เป็นภาษาบาลีภาษาที่ใช้ในสมัยพุทธกาลจะเรียกพระนักบวชในพระพุทธศาสนาว่าภิกษุหรือภิกขุมีความหมายว่าเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด เป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัตรเป็นผู้เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในตรัพบจึงได้ออกบวชกันเพราะว่ามีผู้ที่ได้พบทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตร คือพระบรมศา ส, สดาพระพุทธเจ้าที่พวกเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้พบทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์ จึงได้นําทางแห่งการออกจากกองทุกแห่งการเวียนายตายเกิดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่อยากจะออกจากกองทุกนี้ไปผู้ที่แสวงหาทางออกจากกองทุกพอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เกิดศรัทธาที่อยากจะออกบวชตามพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ศึกษาเร่อเรียนจากพระพุทธเจ้าหรือจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ทําให้ตนได้ลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือที่มาของคาว่าภิกษุหรือภิกขุ หมายความว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสังสารวัฏนี้ก็คือตายภพนั่นเองประกอบด้วยสามภพด้วยกันคือการมาภพรูปภพและอรูปภพการมภพนี้เป็นที่อยู่ที่เกิดที่เวียนว่ายตายเกิด ของสัตว์โลกที่ยังเสพกามอยู่ที่ชอบเสพกรามเชอบเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเช่นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ที่ยังมีความรักความชอบในการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพปะชนิดต่างๆเวลาร่างกายตายไปใจที่ยังมีความ ชอบแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะใหม่การมาพบนี้มีแบ่งไว้เป็นสองซีกด้วยกันซีกหนึ่งเรียกว่าทุกขติคือเป็นซีกที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุข อีกซีกหนึ่งเรียกว่าสุคติคือเป็นภพที่มีความสุขมากกว่ความทุกข์ซีของสุคติก็คือซีกของเทวดาทั้งหลายเวลาที่ตายไปแล้วถ้าได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็จะไปอยู่ในซีกของสุคติได้เป็นเทวดาแล้วก็ เสพความสุขของเทวดาไปจนกว่าบุญที่ได้ทำไว้หมดกำลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาทำบุญม า, มาทำบุญมารักษาศีลใหม่ส่วนอีกสีกหนึ่งนี้เป็นสีกที่เรียกว่าทุกขตนี้เป็นสีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข เป็นซีกที่เกิดผู้ที่ผู้ที่ทําบาปมากกว่าทําบุญผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าไม่ชอบทําบุญเวลาตายไปบาปที่ทําไว้จะมากกว่าบุญที่ทําไว้บาปก็จะดึงให้ไปอยู่ในซีกของทุกขติซึ่งมี สี่ระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าเดลฉ า, านรือจะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นนกเป็นแมวเป็นหมูเป็นหมาอะไรอย่างนี้และถ้ายังไม่ได้เกิดก็กเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์มากกว่าความสุขมีอยู่สามชนิดวิญญาณวิชนิดที่หนึ่งคือเปรต มีความหิวโหยเป็นทุกข์จากความหิวโหยต่างๆอสุรกายมีความหวาดกลัวจากสิ่งต่างๆและนรกมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจด้วยความเครียดแค้นอาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันนี่คือสีของทุกขติ ที่เกิดจากเวลาแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสผลพระก็ใช้การกระทำบาปเป็นวิธีการก็จะต้องไปรับผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่อีกหลังจากที่บาปได้ ส่งไปเกิดในอบายหรือในทุกขตินี้สิ้นสุดลงก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่อาจจะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเนื่องจากไม่มีบุญบารมีส่งเสริมนั่นเองไม่ได้ทำบุญมนุษย์ที่มาเกิดแล้วอาภัพวาสนานี้เป็นผู้ที่ออกมาจากทุกขติกัน เป็นเหมืองพวกที่เขาปล่อยออกจากคุกตารางพวกที่ปล่อยออกมาจากคุกตารางนี้มักจะไม่มีเงินมีทองไม่มี ท, มทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวมาแล้วก็อาจจะกลับไปทําบาปใหม่อีกเพราะเมื่อไม่มีเงินทองไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาเวลาอยากจะได้อะไรมากๆก็ อ, อาจจะทนไม่ไหวก็ อ, อาจจะกลับไปทําบาปใหม่อีก นี่คือสีของผลที่เกิดจากการไปทำบาปทำกรรมและไปรับผลบาปในอบายหลังจากกลับมาเกิดก็จะเป็นผู้ที่มีอาภัพว่าเสนอเช่นร่างกายก็อาจจะไม่สมบูรณ์อาการ32ก็อาจจะไม่ครบมีโรคภัยเบียดเบียนต่างๆมีอายุไม่ยืนยาวนาน มีรูปล่างหน้าตาไม่สวยงามไม่มีทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองนี่คือลักษณะของผู้ที่ทำบาปเวลาตายไปก็ไปเกิดในอบายเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ที่ เวลาแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะก็แสวงหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปทำกรรมคือขยันทำมาหากินหาเงินหาทองพอมีเงินทองอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆก็ใช้เงินทองไปซื้อมาการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นโทษ ไม่มีผลต่อการที่จะไปเกิดในอบาย <Yeah. S 1> แล้วเวลาที่มีเงินมีทอง <Yeah. S 1> เหลือเฟือเหลือใช้ <Yeah. S 1> ก็คิดแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน <Yeah. S 1> ก็อยากจะให้ความช่วยเหลือ <Yeah. S 1> ก็จะได้มีโอกาสได้ทำบุญ yeah. Yeah. นี่คือลักษณะของผู้ที่ามาจาก สิของสุขติมาจากสวรรค์ <Yeah. S 1> จะลงมาเกิด <Yeah. S 1> เกิดเป็นคนที่มีวาสนาบารมี <Yeah. S 1> รูปร่างหน้าตาสวยงาม <Yeah. S 1> มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรออยู่ <Yeah. S 1> เช่นมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี <Yeah. S 1> มีผิวพรร์ผ่องใสมีอาการครบสามสิบสอง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานนี่คือลักษณะของผู้ที่กลับมาจากสุขติมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในโลกเราจึงมีคนทั้งสองประเภทนี้คุกเข่ากันไปบางคนก็มีวาสนาบารมีบางคนก็อาภัพวาสนาบารมี พวกเราถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ อ, อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างกันบางคนดีแสนดีบางคนร้ายแสนร้ายนั่นก็เป็นเพราะบุญบาปที่ได้ทำไว้ในอดีตนั่นเองจึงทำให้จิตใจของแต่ละคนนี้แตกต่างกันไป คนที่เคยทำบุญก็จะมีจก็เป็นใจบุญกุศลเป็นคนดีคนที่เคยทำบาปชอบทำบาปก็จะเป็นคนใจร้ายทารุณโหดร้ายนี่คือเรื่องของผู้ที่เสพกามจิตที่เสพกามก็จะเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ทุกครั้งที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังถึงแม้จะมาเกิดร่ำรวยเกิดสุขเกิดเจริญด้วยวาสนาบารมีก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของของร่างกายความทุกข์ของโลกนี้ <Yeah. S 1> โรกนี้ก็มีความทุกข์ที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตาย <Yeah. S 1> ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการต้องพัดพากจากกาัน ความทุกข์จากภัยอันตรายต่างๆเช่นธรรมชาติภัยธรรมชาติหรือจากโรคระบาดภัยจากโรคระบาดต่างๆเป็นต้นสําหรับผู้ที่ฉลาดก็จะเห็นว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามเช่นพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะ อย่งแม้ได้มาเกิดเป็นพระราชกุมารมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติทุกประการมีภาษาสามฤดูมีบริษัท์บริวารคอยรับใช้คอยให้ความสุขในทุกรูปแบบก็ตา่างแต่พอได้เสด็จออกไปปทออกไปเที่ยวนอกพระราชวังก็ได้เห็นสภาพของความเป็นจริงของโลก คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เลยทําให้พระองค์นั้นย้อนมาึกม า, มาถึงเราลึกถึงพระร่างกายของพระองค์เองว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกันเวลาแก่นี่ก็จะต้องรู้ว่าเป็นยังไงเวลาเจ็บเพราะเห็นคนเจ็บเพราะร้องโอดคนคาง เวลาคนตายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อไปคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าก็คิดที่จะหาทางยุติการเวียนว่ายวเวียนว่ายตายเกิดกันก็จะไปบวชเป็นเป็นนัก บ, บวชกันนั่นเองนี่คือที่มาของคำว่าผู้เห็นภายในการเกิดแก่เจ็บตายคำว่าภิกขุหรือภิกษุนี่เอง นอกจากการมาพบแล้วก็ยังมีอีกสองพบที่มีอยู่ในไตพบนี้ไตแปลว่าสามกามาพก็เป็นหนึ่งอีกพบหนึ่งเรียกว่ารูปพบและอีกพบหนึ่งเรียกว่าอารูปพบรูปพบนี้เป็นพบของผู้ที่เสพความสุขจากการนั่งสมาธิ ผู้ที่เข้ารูปฌปานได้เข้าฌานในระดับรูปฌานได้เวลาร่างกายตายไปจิตก็จะไปเกิดในอรูปภพในรูปภพรูปภพนี้เราเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นที่อยู่ของพรหมทั้งหลายพรหมก็คือผู้ที่สามารถเข้าฌานได้ใครที่สามารถมาฝึกสติฝึกสมาธิและนั่ง ทำให้จิตสงบเข้าสู่รูปประชานขั้นต่างๆได้จิตก็เป็นพรหมเป็นรูปประพรหมไปพอร่างกายตายไปจิตก็จะไปอยู่ในสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพอยู่อีกภพหนึ่งเรียกว่ารูปภพภพของพรหมผู้ที่ได้ผู้ที่เสพ ร, รูปประชานแล้วสําหรับผู้ที่มีสติแก่กล้ากว่า ก็สามารถเข้าสู่สมาธิระดับอรูปฌปานได้ซึ่งเป็นสมาธิที่สงบที่ละเอียดที่สุขกว่าสมาธิของรูปฌปานเป็นความสุขที่มากที่สุดที่สจิตสามารถที่จะเสพได้ด้วยกำลังของสติผู้ที่ได้อรูปฌปานเวลาร่างกายตายไปก็จะไปเสพก็จะไปเกิดใน สวรรค์ชั้นอรูปประภมแต่สวรรค์ทั้งสองระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปประรมหรืออรูปประภรมก็เป็นสวรรค์ที่มีความเสื่อมได้ไม่ถาวรเพราะฌานที่ได้จากการฝึกสมาธินี้ก็จะมีกำลังอ่อนลงไปตามลำดับ พอฌานหมดกําลังลงก็ต้องเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาแสวงหาการเสพรูปฌานอารูปฌานใหม่ตรงนี้ส่วนมากเวลามาเกิดมักจะเอาไปบวชกันไม่ชอบอยู่กับพวกผู้ที่เสพกรรมเพราะเป็น ความสุขคนร ะ, ะดับกันผู้ที่เคิดเสพความสุขจากรูปฌปานกับอรูปฌานนี้จะมีความยินดีในกะในเสปรูปฌานอารูปฌานมากกว่าการเสพความสุขจากการมรุณทั้งห้าเพราะความสุขได้ได้จากรูปฌานและอรูปฌานนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทาง กามคุณห้างนีเองเราจึงมีบุคคลพวกนี้อยู่ในโลกนี้พวกที่เวลามาเกิดแล้วมักจะไปบวชกันอาจจะไปบวชเร็วบวชช้าก็ขึ้นอยู่กับภาวะของตนบางทียังมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอยู่ก็อาจจะบวชช้า บางคนไม่มีภาระผูกพันเรื้อทางบ้านไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูได้ก็ให้ไปบวชเป็นเป็นเนรเลยไปบวชตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนรแล้วก็พอดีตรงกับความต้องการของตนเองก็สามารถอยู่ในเพศของนักบวชได้ไประจนถึงวันตายเลยก็มีนี่คือ ที่มาของความแตกต่างของของมนุษย์ของพวกเรา mm hmm. พวกเรานี้มีความรักมีความชอบในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็เพราะว่าในอดีตชาตินี้เรามีความรักความชอบที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง mm hmm. เวลาเรารักเราชอบอะไรมันจะฝังอยู่ในใจเรา mm hmm. เวลาร่างกายตายไป เวลาเรากลับมาเกิดใหม่ความรักความชอบที่มีอยู่ในใจก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมอยู่เรายังเป็นคนเหมือนคนเดิมอยู่ร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนท่านั้นเองแต่นิสัยใจคอความรักความชอบความเกลียดความชังอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เคยชอบอะไรก็จะกลับมาหาสิ่งนั้นเคยเกลียดอะไรก็พยายามหลบหนีจากสิ่งนั้นไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเพราะมันเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ในใจนี่เองอนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบถ้าไม่มีคนฉลาดอย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดในโลกนี้ แล้วก็ออกบวชเพื่อแสวงหาการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเมินไหวตายเกิด<ม>ก็จะไม่มีใครรู้<ม>เพราะว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากยิ่ง<ม>เพราะไม่มีใครสอนได้<ม><ม>เพราะว่าไม่มีไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยไม่มีใครชี้จะสอนคนที่อยากจะรู้ก็ต้องค้นหาเอาเอง คนที่จะค้นหาได้เองนี้ต้องเป็นคนฉลาดมาก mm hmm. กฉา็ฉลาดระดับพระพุทธเจ้านี่แหละ mm hmm. ซึ่งนานๆานจะมีเกิดขึ้นมาสักคนหนึ่ง mm hmm. ที่มีความฉลาดที่สูงสุดอย่างพระพุทธเจ้านี้ที่สามารถที่จะค้นหาทางออกจากกองทุก mm hmm. แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. พวกเราที่มาเกิดในยุคที่มีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่จะบอกทางของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้กับพวกเราได้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาอัน อันยิ่งใหญ่เพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้มาพบกับคําส่งคาสอนแบบนี้สักครั้งหนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนานๆจะมีโผลขึ้นมาสักองค์หนึ่งคำว่านานนี้ท่านก็บอกว่าถ้าเขียนด้วยตัวเลขก็เขียนไปทั้งวันก็ไม่ก็ไม่ได้เวลาที่ต้องการ เขียนเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เติมด้วยศูนยไปเขียนไปตั้งแต่เช้าถึงถึงดึกเนี่ยถึงเวลานอนก็ยังไม่ได้เวลาของเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดแต่ละครั้งาใช้คำว่ากับว่ากันเป็นเวลายาวนานมากดังนั้นโอกาสที่จะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าหรือกับพระธรรมคาส่งคาสอน หรือกับพระริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นของที่ยากมากแล้วเมื่อมีปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ไปไม่ไม่ได้นานมากอย่างพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันหลังจากห้าพันปีแล้วก็จะไม่มีใครรู้เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป ไม่มีใครรู้เรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะหลุดพ้นได้อย่างไรก็จะต้องรอไปเอกหลายกับหลายกันด้วยกันกว่าที่จะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งได้ประการหนึ่งที่ทำให้มันยิ่งยากขึ้นอีกก็คือการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็เป็นของที่ยาก เหมือนกันตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่อาจจะไปติดอยู่บนสวรรค์หรืออาจจะไปติดอยู่ในอบายอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้เอ่ยสมมติเราตายไปคราวนี้คราวหน้าเวลาเรากลับมาเกิดถ้ามันเกิน 2,500 ปีไปเราเกิดคราวหน้าก็จะไม่เจอพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกเมื่อไหร่ อยางนั้นเราต้องเห็นว่าการได้มาเจอพระพุทธศาสนาในขณะที่เราเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นโอกาสทองของพวกเราทีเดียวเพราะไหนจะต้องเป็นมนุษย์ด้วยไหนจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเราถึงจะสามารถศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในตอนนี้ถึงไม่าจะมีพระพุทธศาสนาอยู่เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะเราไม่สามารถเข้าใจคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นค ำ, คำเพราะเป็นภาษาของมนุษย์นั่นเองสัตว์นี้เขาเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นรู้ว่าให้หยุด ให้เดินให้ทำอะไรได้อยู่แต่จะให้มานั่งคิดเรื่องทำบุญทำทานเรื่องรักษาศีลเรื่องการภาวนานี้เขาไม่มีความสามารถพอรติปัญญาของเขาไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถซึมซาบคำคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี่คือพูดเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าพวกเราตอนนี้ ถือว่าเป็นผู้มีโชคมหาศาลทีเดียวมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นการหลุดพ้นที่ง่ายดายยิ่งกว่าการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองนี่กว่าจะหลุดพ้นได้นี้ต้องแสวงหาสร้างบุญบรารมีมาไม่รู้กี่กับกี่กันด้วยกัน ถึงจะสามารถพบทางแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่สําหรับพวกเรานี้ไม่ต้องไปสร้างบุญบรารมีเป็นกลับเป็นกันเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะเราสามารถศึกษาและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยและในระยะเวลาที่ไม่มากด้วยพระพุทธเจ้า ได้พยากรณ์ไว้ในสติปฐานสูตรว่าใครที่สามารถเจริญสติสมาธิปัญญาตามที่ทรงแสดงไว้ในสติปทานสูตรได้สามารถบรรลุธรรมหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างเร็วก็เจดวันภายในเจ็ดวันก็สามารถหลุดพ้นได้ถ้ามีบารมีที่แก่กล้า มีสติปัญญาที่แหลมคมถ้าไม่ได้หลุดภายในเจวันก็ภายในเจดเดือนถ้าไม่ได้หลุดภายในเจเดือนก็ไม่เกินเจดปีเป็นอย่างมากถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติวิธีจเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยัง้งจะสามารถที่จะทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้ผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย เ, เกิดจึงมีมากในยุคที่มีพระพุทธศาสนากันในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นในยุคที่พระพุทธเจ้ากําลังแสวงหาการหลุดพ้นอยู่นี้ไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครรู้ทางหลุดพ้นว่าเป็นอย่างไร คือในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่เลยจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเมื่อไม่มีใครรู้ทางก็ต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้ที่จะสามารถค้นหาทางได้แต่พอหลังจากที่พระองค์ได้ทรงพบทางแล้วแล้วนาํามาเผยแผ่สั่งสอนนี้ ก็ทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะหลุดพน้นนี้หลุดพ้นกันได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเจ็เดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ปดคือวันเข้าพรรษาวันอาสาหาบูชาเดือนแปดเช่นสมมุติเดือนแปดของปีที่แล้วแล้วก็มาถึงเดือนสามของปีนี้ คือวันมาฆบูชาที่จะมาถึงนี้วันเป็นเดือนสามก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปอย่างน้อยปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วเราทราบได้อย่างไรก็เพราะว่าในประวัติมีการแสดงไว้ว่าในวันมาฆบูชาวันเป็นเดือนสามนี้ได้มีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูป ที่อยู่ตามสารทิตต่างๆได้เดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันพ้าเหล่านี้หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อนำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้กันได้อย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวางให้ไปทิละคนไม่ให้ไปด้วยกันไม่ให้ไปเป็นสองเป็นสามให้ไปแยกกันไปเพราะคนเดียวก็สามารถสอนธรรมะที่เหมือนกันได้ถ้าไปสองสามคนก็จะไปกระจุกอยู่ที่เดียวให้กระจายไปหลายลหลายทิศหลายหลายทางด้วยกัน จึงทำให้คนได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนอย่างน้อยก็มีพระอาหารหันตสาวก ค, คือผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้นี้ไม่มีใครเป็นพระสาวกเลยไม่มีใครเป็นพระอาหารหันตสากปรากฏขึ้นมาเลย นี่คือความมหัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยของพวกเราทุกคนที่จะสามารถศึกษาปฏิบัติได้เพราะถ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเหนือความสามารถที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะไม่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้เสียเวลาซึ่งในตอนที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ใหม่ๆ พระ อ, องค์ก็เคยมีความคิดอย่างนั้นคิดว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดสั้นี้ได้ปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้เพราะมีพระ อ, องค์เพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติได้ก็เลยคิดว่าสอนไปก็คงยังไม่เกิดไปอยู่ก็เลยไม่อยากจะสอน <c oughs> พอเท้ามหาพรหมได้ยินเข้าว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ประกาศสอนพระธรรมคําสอนนะก็ทําให้พระมหามหาพรหมนี้ต้องเข้ามาอาลาธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ได้โปรดพิจารณาอีกให้รอบคอบ อ, 3, อีกครั้งอีกคังหนึ่งเถิดเพราะมนุษย์ทั้งหลายนี้ก็มีหลายระดับมีหลายบารมีด้วยกันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนเมื่อได้รับการ ทาาทามพระพุทธเจ้าก็เลยส่งพิจารณาใหม่ก็ส่งเห็นว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้นี้มีมากมีน้อยต่างกันไปตามลำดับของอินทรีย์ของแต่ละคนอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาของแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันก็ท่งสามารถแบ่งไว้เป็นสี่ระดับได้ พวกที่มีมากก็คือพวกระดับที่หนึ่งนี้สองเปรียบเหมือนพวกบัวเหนือน้ําบัวที่โผล่มาเหนือน้าแล้วโอกาสที่จะบานนี้มีมากเพียงแต่ได้รับแสงอาทิตย์ขึ้นมาก็จะบานขึ้นมาทันทีนี่เป็นพวกที่หนึ่งที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอสมควรพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า นี่คือพวกที่หนึ่งพวกที่สองคือพวกที่มีอินทรีย์ที่อ่อนลงมไม่เท่ากับพวกที่หนึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาเสริมสร้างอินทรีย์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเสริมเสริมศรัทธาเสริม ส, ส, ม ส, ส, มสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาให้ปีเพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีเหมือนกับพวกกลุ่มที่หนึ่งพวกนี้เรียกว่าเป็นบัวกลุ่มที่สอง ท่านเปรียบเหมือนบัวที่ปริ่มน้ำที่ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาภายในระยะเวลาอันใกล้รอเวลาสักวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้าขึ้นมาและพอได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ก็จะบ า, บานออกมาได้ทรงพิจารณาว่านี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือพวกที่มีอินทรีย์อ่อนมากแต่ยังพอมีอยู่ ยงพอมีศรัทธาบ้างมีสติบ้างมีสมาธิบ้างมีความเพียรบ้างตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาสั่งสอนให้เกิดศรัทธาเกิดอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นไปตามลำดับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามที่ยังสามารถสอนได้ส่วนพวกกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่อินทรีย์นี้แทบจะว่าศูนย์เลยคือพวกนี้เป็นพวกที่ศรัทธาก็มีไม่มี สติสมาธิปัญญาในทางธรรมก็ไม่มีเลยพวกนี้พระองค์ก็เลยถือว่าเป็นพวกบัวใต้น้ําบัวที่อยู่กับโคลนตมโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา น, นี้ยากมากแทบจะไม่มีเพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปนี่คือพวกที่สี่พวกที่สามนี้เป็นบัวกลางน้ําในโผล่เหนือตมโคลนขึ้นมาแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ให้จเจริญเติบโตขึ้นมาจนกว่าจะโผล่เหนือน้ําได้นี่นะหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาว่าบุคคลที่จะรับการสั่งสอนนี้ยังมีอยู่สามารถสอนได้พระองค์ก็เลยทรงมุ่งไปบุคคลกลุ่มแรกก่อนที่บุคคลที่พร้อมที่จะรับพระธรรมอันประเสริฐของพระของพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ยินได้ฟังปับ๊บเขาก็สามารถที่จะ หลุดพ้นได้บรรลุธรรมได้ทันทีบุคคลกลุ่มที่หนึ่งนี้ก็คือพวกนักบวช ท, ทั้งหลายนั่นเองในยุคที่พระเจ้าทรงบําเพ็ญนี้ก็มีนักบวชแต่ยังหาทางไม่เจอกันแต่นักบวชพวกนี้เขาจะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่คือมีมีศีลที่บริสุทธิ์เขารู้ว่าการกระทําบาปนี้ไม่เป็นวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องละการกระทําบาปเท่านั้น ทุกถึงจะไม่เกิดจากการกระทาต่างๆแล้วนอกจากนั้นทุกก็ยังมีอยู่ภายในจิตจะให้จิตหายทุกได้ก็ต้องเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิเขาก็ฝึกสมาธิเข้าฌานกันได้แต่เวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมาความทุกข์ก็ยังกลับคืนมาได้อยู่เพราะจิตเขายังมีความคิดมีความอยากอยู่ซึ่งที่เขาไม่รู้ว่าเป็นเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ นี่เป็นเหตุที่ทําให้เขายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันนี้แหละคือสิ่งที่เขาไม่รู้คือระดับปัญญาพอพระพุทธเจ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาขาดขาดพระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปหาพวกนักบวชเหล่านี้ก่อนพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์บวชมาเป็นเวลาหลายปีมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นสงบได้ตลอดเวลาที่ต้องการขาดปัญญาคือ ความจริงของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายว่าเกิดจากอะไรพอพระองค์ได้ทรงสแสดงให้เขารู้ทว่าเกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามกามตัณหาความอยากเสพกามภาวะตัณหาความอยากจะเสพลูก ป, ประชานวิภาวะตัณหาความอยากจะเสพอรูณ ป, ประชานพอได้สแสดงธรรมจบลง เขาก็ละความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญปัญญาที่เห็นว่าการคุณห้าหรือรูปประชานหรืออรูปประชานนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้เสพการก็เกิดความสุขแต่ไม่ยั่งยืนความสุขนั้นไม่อยู่ตลอดไปเสพการไปปับ๊บเดี๋ยวก็จางหายไป เข้าฌานความสุขก็เกิดขึ้นพอออกจากฌานความสุขนั้นก็หายไปจ <Yeah. S 1> ึงทำให้เขาระความอยากในการเสพการเสพรู ป, ประชานและเสเปารูปประชานได้ <Yeah. S 1> พอเขาระได้ปั๊บใจของเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่ดึงให้เขากลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือ กามตันหาความอยากที่จะเสกพกามภาวะตันหาความอยากที่จะเสพรูปประชานและวิภาวะตันหาความอยากที่จะเสพอะรูปประชานนั่นเองพอเล่าได้หมดจิตเขาก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เข้าถึงพระนิพพานในขณะนั้นเลยจิตเขาได้เข้าถึงนิพพานแล้ว คำว่านิพานนี้ไม่ในหมายความว่าตายซึ่งเรามักจะเข้าใจกันแต่เขามักจะใช้คำว่านิพานไว้สำหรับผู้ที่ได้บรรลุนิพานแล้วเวลาตายแทนที่จะใช้คำว่าตายเราก็เรียกว่านิพานเหมือนคนที่ได้เข้าสวรรค์แล้วเวลาตายเราก็เรียกว่าสวรรคตเนี่ยเ็นเวลาพระเจ้าแผ่นดินตายเราไม่ใช้คำว่าตายเราว่าท่านเสด็จสวรรคตเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินนี้ทาบุญมากกว่าทาบาป เมื่อตายไปจิตของท่านก็เข้าสู่สวรรค์อันนี้ก็เป็นคำคำใช้แทนคําว่าตายแต่ไม่ได้หมายคำว่าตาย <Yeah. S 1> คําว่านิพานนี้คือจิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่กลับมาเกิดในใต้ภพอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <Yeah. S 1> แ, ตแต่เรามักจะใช้คําว่านิพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลาย แต่ความจริงท่านถึงนิพพานตั้งแต่วันที่ท่านปฏิบัติธรรมสิ้นสุดลงวันที่จิตของท่านได้หลุดพ้นจากความอยากทั้งปวงหลุดพ้นจากกามมัตรฐานภาวะตันหาระวิภวะตันหแะะนหในจิตไม่มีความอยากจะเสพการอีกต่อไปไม่มีความอยากจะเสพรู ป, ประชานไม่มีความอยากจะเสพรรูปประชานเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นั่นเองคอ พาไม่ได้มีความอยากที่จะเสพจิตก็เลยกลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นจิตที่ไม่หิวไม่โหยกับอะไรอีกต่อไปเมื่อไม่มีความหิวความโหยความสุขอันเลิศประเสริฐก็ปรากฏขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าปรมังสุขขังบร ม, มสุขเป็นความสุขที่ได้จากการละความอยากทั้งสามไปความสุขเหล่านี้เราเรียกว่านิพานจิตเป็นนิพาน พระพุทธเจ้านี้ถึงนิพพานตั้งแต่วันตัศรุวันเพ็ญเดือนหกพระหลานตัสาว์กนี้ถึงนิพพานในวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกันแต่ร่างกายของท่านก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแต่พอหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปจิตที่เป็นนิพพานนี้จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปอันนี้คือความหมายของคำว่านิพพานยันขอให้เราเข้าใจว่าคำว่านิพพานนี้ไม่ในหมายคำว่าตาย หมายความว่าจิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปคําว่านิพานนี้จึงมีสองลักษณะนิพานในขณะที่ยังมีร่างกายและนิพานหลังจากที่ไม่มีร่างกายมีคําภาษาบาลีว่าสานุ ป, ปาดิเสสานิพานกับอนุอนุอนุปณะเศ ส, สานิพา น, นเนี่ยมีอยู่สองคำด้วยกันมีสากะอนุเริ่มต้น เข mm hmm. าพูดให้เข้าใจไว้เดี๋ยวไม่เข้าใจว่าทําไมนิพพานถึงมีสองรูปแบบก็ mm hmm. เพราะว่าการ mm hmm. การบรรลุ ถ, ถึงนิพพานนี่ไม่ใช่บรรลุ ถ, ถึงตอนที่เราตาย mm hmm. เรามารลุได้ตั้งแต่กิเลสหมดใจไปจากใจเรานี่เราก็เข้าถึงนิพพานแล้ว mm hmm. เรียอนุปานิเสสานิพพานสานิสาสาสาเสนุปานอะไร น, นี่จำไม่ได้ต้องไปเปิ ด, ปดไปเปิดดูความหมายก็คือจิตเป็น ถึงนิพพานตอนที่ร่างกายยังไม่ตายและจิตอยู่ในนิพพานหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเท่านี้เองเป็นจิตดวงเดียวกันเป็นนิพพานนันเดียวกันพระพุทธเจ้าถึงนิพพานในวันแผ่นเดือนหกแล้วพออายุแปดสิบปีก็สละสังขารร่างกายไปจิตก็จะเป็นนิพพานอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่มีร่างกายเป็นภาระที่จะต้องดูแลต่อไป นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยากเย็ยนเกินความสามารถของพวกเราทุกคนเพราะมีคนระดับพวกเหล่านี้หรือดีไม่ดีแล้วอาจจะคิดว่าเขาเขาต่ํากับเราเสียด้วยซ้ําไปได้บรรลุกันเยอะแยะเป็นพระอระหรันตสาวกเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ถ้าเราดูประวัติ ทางโลกนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิสโสอะไรเป็นลูกชาวนาชาวไร่การเรียนการศึกษาก็ไม่ได้สูงขนาดไหนบางทีก็จบแค่ระดับปถมนี้เท่านั้นเองบางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็มีอ่านสือไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนหนังสือแต่ความรู้ระดับทางโลกนี้ไม่ได้เป็นตัววัดความสามารถในการที่จะปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานได้ ตัวที่จะวัดความรู้ความสามารถของความการที่จะไปถึงพระนิพพานได้นี้อยู่ที่อินรี่ห้านี้ต่างหากว่ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ตัดสรูได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อหรือเปล่าว่าพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เชื่อหรือไม่ว่าพระอริยสง์สาวกทั้งหลายนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละที่ตอนต้นก็ยังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆมีความทุกข์ต่างๆแต่พอได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เข้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็น้อมเอาคำสั่งคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติกัน ปฏิบัติด้วยความเข้มข้นวิริยะคือความความเพียรที่เข้มข้นเพื่อสร้างสติให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับจนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วก็หันมาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ในตายภพนี้ไม่ว่าจะเป็นกามาคุณห้าคดีไม่ว่าจะเป็นรูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดี ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์เพราะว่าเวลามันเสื่อมมันก็หายไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราห้ามไปบังคับให้เขาไม่เสื่อมไม่ได้เขาจะต้องเสื่อมถึงแม้เราอยากจะให้เขาไม่เสื่อมอย่างไรก็เสื่อมไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วก็จะทุกข์ เช่นร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ก็ต้องเสื่อมกันพวกเราทุกคนก็อยากให้มันไม่เสื่อมแต่ก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเรานั่นเองนี่คือปัญญาที่จะต้องมี ต้องมีอินซีทั้งห้านี้มีมากมีน้อยก็จะเป็นตัวที่จะวัดผลว่าบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วผู้ที่มีอินซีมากก็จะปฏิบัติเข้มข้นมากก็จะบรรลุเร็วผู้ที่มีอินซีน้อยก็จะปฏิบัติน้อยปฏิบัติและไม่มากก็จะไม่สามารถบรรลุได้เร็วยังมีแบ่งไว้ว่าเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้าง แต่ถ้าตราบใดพบมีความเพียรพยายามที่จะสร้าง <c oughs> อินทรีย์เหล่านี้ให้แก่ก้าขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสามารถที่จะบรรลุถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นอย่าไปดูว่าเป็นเพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มีการศึกษาระดับไหน อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะวัดความสามารถในการที่จะบรรลุ ธ, ธรรมกันสิ่งที่จะวัดความสามารถในการบรรลุ ธ, ธรรมก็คืออยู่ที่ว่าเรามีศรัท ธ, ธามากน้อยเพียงไรต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถ้าเรามีศรัท ธ, ธามากเราก็จะทุ่มเทมากต่อคำสั่งคำสอนสอนให้ทาทานเราก็จะทาทานมากสอนให้รักษาศีลเราก็จะรักษาศีลมากสอนให้เราจเจริญสติ นั่งสมาธิเราก็จ ะ, จะเจริญมากสอนให้เราจเจริญปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆเราก็จะทำตามอันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัววัด ต, ตัวที่จะพาให้เราเา<ม>ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเบื้องต้นอยู่ที่ศรัทธาว่าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงไรเชื่อเพียงร 10, ้อย ล, ละสิบร้อยละห้าสิบหรือหรือเต็มร้อยเลย ถ้าร้อยละห้าสิบนี้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยังยังเชื่อทางอื่นยังเชื่อกิเลสอีกครึ่งหนึ่งยังเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกครึ่งหนึ่งก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้บางวันก็ขอไปกับกิเลสบางวันก็ขอไปกับพระบางวันก็ขอไปเที่ยวบางวันก็ขอไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเชื่อแบบเต็มร้อยนี่จะไม่ไปทางกิเลสเลยจะไม่ไปทางความโลภความอยากต่าง จะไปทางธรรมอย่างเดียวจะไปเปลีกวิเวกจะไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติไปนั่งสมาธิอันนี้อยู่ที่ศรัทธาความเชื่อว่ามีมากมีน้อยและศรัทธานี้จะมีมากมีน้อยได้เบื่องต้นก็อาศัยการที่เราได้เข้าพบกับพระพระจรงิงพระแท้พระผู้ที่ได้ได้หลุดพ้นแล้วเพราะธรรมของท่านนี้จะมีพลังมากต่อการสร้างศรัทธา เพราะท่านจะพูดออกมาจากความจริงพูดมาด้วยความแม่นยำถูกต้องผู้ฟังฟังแล้วจะไม่มีการลังเลสงสัยแล้วเมื่อไม่มีการลังเลสงสัยก็จะมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะต้องได้อย่างนี้อย่างแน่นอนก็จะทำให้เกิดมีความศรัทธามากพร้อมที่จะลองปฏิบัติดู แล้วพอได้ปฏิบัตินี้พอได้เห็นผลแล้วทีนี้จะยิ่งเสริมศรัทธาให้มากยิ่งขึ้นใหญ่นี่คือวิธีเสริมสร้างศรัทธาระดับสองระดับด้วยกันระดับแรกก็พยายามเข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงเข้าหาสัมมณะการได้เห็นสัมมณะนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งในมงคลละมงคลสาสบดท่านบอกว่าการได้พบสมาณะเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เรียนรู้ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดว่าต้องทําอย่างไรได้อย่างถูกต้องแม่นยําพอได้ฟังแล้วก็จะไม่ลังเลสงสัยก็จะยินดีที่จะอุทิศชีวิตอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติเนี่ยแล้วพอได้ลองปฏิบัติเข้าไปไม่ช้าก็เร็วก็จะเห็นผลเห็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทีละขั้นไปเบื้องต้นก็จะเป็นการุดทนแบบชั่วครั้งชั่วคราวก่อน ทุกครั้งเวลาจิตเข้าสู่ความสงบความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะหายไปมันจะอยู่ได้นานไม่นานนี้ก็อยู่ที่กำลังของสติก็จะพอเห็นว่าสามารถทำให้จิตที่ทุกข์ที่วุ่นวายนี้สงบได้หายจากความทุกข์ได้ก็จะมีความศรัทธาอย่างเต็มที่จะไม่สงสัยแล้วว่าการปฏิบัติธรรมตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีผลหรือไม่ มีอย่างแน่นอนอพอได้เห็นผลแล้วทีนี้ก็จะมีกำลังใจเหมือนคนที่ทำธุรกิจการค้านี่ถ้าทำแล้วไม่ได้กำไรนี้มันจะไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำแล้วสองจิตสองใจว่ากูจะทำต่อดีไม่ดีทำไปแล้วจะเจ๊งหรือเปล่าเพรา ะ, ะยังไม่ได้กำไรเสียทีแต่สำหรับถ้าทำแล้วถ้าได้กำไรนี้เป็นก่อเป็นกรรมนี้ทีนี้ก็จะทุ่มเทลงทุนขยายกิจการนะ ปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าต้องเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆต้องขยายกิจการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้รับผลประกอบการที่ดีจากการจากการทํามาค้าขายทําแล้วกําไรยิ่งยิ่งทํายิ่งกําไรมากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เกิดความขยันมากขึ้นไปเองความขยนมันบรรตา ม, มาโดยที่ไม่ต้องถูกไปไม่ต้องไปบังคับมันขอให้มันได้เห็นผลเถิดพอเห็นผลแล้วนี้ศรัทธาก็จะเต็มร้อยแล้ว ในนี้ก็จะไม่สนใจที่อยากจะไปหาอะไรแนละ้วอยากจะหาธรรมอยากจะหาความสงบตามที่พรุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าความสุขที่เหนือกับความสงบไม่มีแต่อยากจะได้ความสงบได้ความสุขที่สูงสุดในโลกนี้ต้องหาจากการทําใจให้สงบเท่านั้นอย่าไปหาเงินเพิ่มอย่าไปหาความร่ํารวยเพิ่มอย่าไปคิดว่าเมื่อร่ํารวยเพิ่มแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีหรอกมัน ความสุขทางโลกนอกจากมันมีสุขมันก็มีทุกข์ตามมาด้วยยิ่งมีสุขเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีทุกข์เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยเพราะสิ่งที่มันให้ความสุขกับเรานี้มันไม่แน่นอนมันก็จะให้ความกังวลใจกับเราว่ามันจะให้อยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่มันจะให้มันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆมากน้อยเพียงไรไม่มีใครรู้ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะได้ความสุขจากเงินจากทองในขณะเดียวกันก็จะมีความวิตกกังวลห่วงใยเข้ามาด้วยดังนั้นไม่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจากการบรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีแต่ความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆตามขั้นตอนของการปฏิบัติจนในที่สุดนี้ความทุกข์ทั้งหลายแหละที่เคยมีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมด เหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันลดนี่คือผลที่จะได้ก่อนจากการปฏิบัติเพียงแต่ได้สัมผัสเพียงครั้งแรกครั้งเดียวก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ควรที่จะมุ่งมั่นสร้างให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ก็อย่างนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาเต็มรอยแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หรือไม่ไม่สงสัยว่าพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้หรือไม่ พ่าเมื่อเราได้สัมผัสกับผลแม้แต่เพียงเป็นชั่วแค่งูแลบลิ้นก็ตามเราจะเห็นทันทีว่าจิตของเรานี้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงแต่ว่ามันเพียงแต่หลุดพ้นได้เพียงแค่ช่วงแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะกําลังของเรายังมีน้อยกําลังของสติที่จะทําให้จิตของเราสงบนี้มันยังมีน้อยอยู่เราก็จะรู้ว่าเรากําลังขาดอะไรเราขาดสติ เมื่อเราขาดสติทีนี้ก็จะทุ่มเทไปกับการสร้างสติก็ศึกษาวิธีเจริญสติว่าเจริญอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในสติปัฏฐานสูตรว่าให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกระยะเวลาทุกของอาการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารทํา ทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามทำกิจกรรมอะไรต่างๆให้ใจอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ล้างหน้าไปก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าจะมีสติต้องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่เท่านั้นแล้วก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น <Yeah. S 1> ถ้าทำอย่างนี้ได้เ น, นี่ยจะ ใจจะอยู่ในปัจจุบันใจจะอยู่นิ่งอยู่กับที่แล้วพอนั่งสมาธิก็ให้นั่งให้ดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกเพราะเป็นจุดที่ลมจะมาสัมผัสมาแตะเวลาหายใจออกก็จะรู้ว่ามันผ่านตรงปลายจมูกออกมาเวลามันเข้าไปมันก็จะเข้าไปผ่านทางปลายจมูกนี้จ่ออยู่ที่ปลายจมูกนั้นไม่ต้องเคลื่อนไหว ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปทําให้ลมละเอียดหรือลมหยาบไม่ต้องไปทําให้มันสั้นหรือให้มันยาวให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราหน้าที่ของเรามีเพียงแต่ให้รู้เฉยๆเท่านั้นเองให้รู้ว่ามันกําลังเข้าหรือกําลังออกให้รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวให้รู้ว่ามันหยาบหรือละเอียดถ้าใจเรามีสติที่ที่แก่กล้ามันจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันจะอยู่ที่ลมอย่างเดียว ถ้ามันอยู่อย่างนี้ไม่นานภายใน5นาทีจิตมันก็เข้าสู่ฌานได้เข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบจิตก็จะนิ่งจะสุขจะสบายจะเบาจะเย็นจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะนิ่งเฉยกับอารมณ์ต่างๆถ้ายังต้องถ้ายังได้สัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่มีอาการไม่มีอารมณ์ต่อรูปเสียงกลิ่นรสแต่อย่างใดแต่เพียงสักแต่ว่ารู้ ักแต่ว่าได้ยินเสียงสักแต่ว่ารู้ว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ใจจะไม่ทรมานใจจะนิ่งใจจะสบายนี่คือสมาธิขั้นของสมาธิถ้าฝึกสติบ่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสมาธิได้นานเบื้องต้นก็อาจจะเข้าได้เพียงแวบเดียวแล้วก็ถอนออกมาอันนี้เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างพอได้เห็นหนังตัวอย่างแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะดูหนังจริงก็ต้องไปตีตัว เวลาหนังเข้าโรงข่าวนั่งก็ต้องไปจองตั๋วไว้ตั๋วที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบนี้ก็คือสตินี่ก็รีบไปจองตั๋วไปสร้างสติกันมันจะริ่สติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูร่างกายนี้กาลังทำอะไรอยู่วะกาลังยืนเหรอกลังเดินนะยืนก็ยืนกับมันเดินก็เดินกับมันล่างหน้าก็ล่างหน้ากับมันทำอะไรกับร่างกายไปไม่ให้ไปที่อื่น ถ้าเราจําเป็นต้องคิดอะไรก็หยุดการกระทําต่างๆแล้วคิดให้พอวันนี้จะต้องไปทําอะไรที่ไหนกับใครเมื่อคิดเสร็จแล้วเมื่อไม่ต้องคิดก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทําหน้าที่ของร่างกายต่อไปอันนี้คือวิธีฝึกสติเมื่อให้คิดเนะพราะคิดแล้วมันจะทําให้จิตไม่นิ่งและเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่ยอมอยู่กับลมดูลมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต่อ มันก็เลยไม่มีวันสงบสติเยอะเั้นต้องพยายามฝึกสติให้มันนิ่งก็ให้จิตมันนิ่งให้มันอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าทำสองอย่างพร้อมกันอาบน้ําไปก็คิดว่าเดี๋ยวไปกินอะไรดีไปแต่งเสื้อผ้าชุดไหนดียังไม่ถึงเวลาให้ถึงเวลานั้นเราค่อยไปไ ป, ไปตัดสินใจเอาอาบน้ําเสร็จแล้วอาทีนที้จะไปแต่งตัวมันจะใส่ชุดไหนดีก็ ก, ก็คิดได้เลือกได้เวลา แต่งตัวอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีไว้รอให้ถึงเวลากินก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าจะกินอะไรดี yeah. Yeah. ให้ทำอย่างนี้เอาทำทีละอย่างแล้วจิตมันจะไม่ลอยไปลอยมาจิตมันจะอยู่ในปัจจุบันจิตต้องอยู่ในปัจจุบันมันถึงจะเข้าเข้าไปในสมาธิได้พอเข้าในสมาธิได้จิตก็นิ่งความทุกข์ต่างๆก็จะสงบตัวลงชั่วคราวแต่ไม่หายไปอย่างถาวร พ อ, อจากสมาธิมาจิตมันก็จะทุกได้เวลาไปคิดถึงความอยากต่างๆอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นใจก็ทุกขึ้นมาได้ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรห้ามเขาไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา พอเราปล่อยเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็หายไปความทุกข์เกิดจากความอยากของเรานีเราก็จะรู้จากวิธีใช้ปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากกับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เมื่อควบคุมบังคับไม่ได้ก็อย่าไปควบคุมบังคับมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์แม้ร่างกายจะเจ็บไายได้ป่วยขนาดไหนก็ไม่ทุกข์แม้ร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์ พอใจไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้นะอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นตัวที่ทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหายหมดสิ้นไปคือหายด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันจะดับก็ต้องดับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเฉยๆไว่อย่าไปอยากกับมันทนั้นเองใจของเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ย นี่แหะคือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติกันได้ไม่ต้องไม่จําเป็นว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสผู้คลองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญว่ามีอินทรีย์ห้าหรือไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ตัวนี้เป็นตัวสําคัญถ้ามีแล้วก็จะส่งให้เราไปศึกษาปฏิบัติด้วยด้วยความเพียรพยายาม แล้วเมื่อปฏิบัติได้ผลนะความเพียรพยายามก็จะมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับแล้วมันก็จะผลักดันให้เราปฏิบัติไปจนถึงการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของนักบวชที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาทาวเรวาหาปุราปาริกุเรนติสาคหลัง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 มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมวะทันติอายุวโนสุขังภาลั ลําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคําถามต่อไปยันย่าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่กระดาษนมัสการพระเจ้าค่ะ วันนี้ยอดผู้ชมทางเฟซบุ๊มี425ท่าน y o ย t u b บ226ท่านวิทยุออนไลน์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ93ท่านรวมทั้งหมดเป็น400 749ทา่านเจ้าค่ะบวกลบเกี่ยวกับลบมากกว่าบวกมีคำถามจ า, าก YouTube นะเจ้าค่ะ คำถามจากคุณโลตัสปูค่ะขอกราบถามพระอาจารย์ต้องครบต้องครอบสามสิบบารมีจึงสำเร็จบรรลุธรรมหรือไม่เจ้าคะบมีมีสิบอันทัน้นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีได้คัมมะบารมีสุเบขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมี สัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือบารมีสิบสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆคำถามจากคุณพักพิ น, นันอยากรบกวนถามเจ้าค่ะถ้าเวลาเราฟังเทพพระอาจารย์ย้อนหลังแล้วเวลาเห็นคนที่เขามาถวายของพระอาจารย์ เราก็สาธุกับเขาแต่มันผ่านมาแล้วเราจะได้บุญใหม่เจ้าคะได้ถ้าเราสาธุแล้วเรามีความสุขบุญก็คือความสุขใจแต่ถ้าเราไม่สาธุเราอิจฉาเขาแม่ฉันไม่ได้ทำบุญเหมือนเขาเลยเสียใจอันนี้ก็จะไม่ได้บุญได้ความเสียใจไปแท น, เ, นเวลาเห็นใครก็ทาบุญไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันเมื่ อ, อนาคตก็สาธุได้ พอสาธุได้แล้วเราก็จะมีความสุขไปกับเขาด้วยคำถามจากเฟ e บ o o กเจ้าค่ะผมเปิดมาเจอคลิปสอนของพระอาจารย์อธิบายการละของพระโสดาบันแล้วมันตรงกับวิธีที่ผมทำคือการละสัญญาสามประการจากการอ่านหนังสือสอนธรรมะของครบาอาจารย์สายปฏิบัติ ผมมีคำถามกับวิธีการพิจารณาเป็นแนวทางและผมได้นั่งสมาธิประมาณสองชั่วโมงครึง่งพอสติเริ่มเข้าสมาธิแล้วผมได้เดินปัญญาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายใช้เวลาสองชั่วโมงโดยการพิจารณาเหนื่อยแล้วพักในสมาธิพอหายเหนื่อยแล้วก็พิจารณาต่อพอ โดยใช้เวลาสองชั่วโมงพอถอนจิตออกมาจิตผมเข้าและเกิดความรู้ที่แท้จริงอย่างท่องถ่องแท้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงสั่งโยช์แรกได้แล้วใช่ไหมครับยังเนาต้องเจอความความเจ็บจริงๆแล้วดูว่าเราปล่อยวางความเจ็บได้หรือเปล่าไม่ไปทุกข์กับความเจ็บปวยของร่างกาย หรือเจอกับความตายจริงๆเช่นมีคนเขาจะมาฆ่าเร า, เราใจเราก็เฉยๆอยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงตอนนั้นถึงจะรู้ว่าละสังโยชน์ได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้ายังไม่ได้เจอของจริงก็เหมือนทำการบ้านทำการบ้านเราก็คิดได้ว่าถ้าเราตายเราไม่กลัวนะถ้าเราเจ็บเราจะไม่กลัวนะ ไม่รู้ว่าเวลาเจอข้อสอบจริงๆเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่4ี่แล้วดูสิว่าใจของเราจะเป็นยังไงตอนนั้น่ะถึงจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านคำถามจากคนเดิมนะคะและต่อไปผมจะจ ะ, จะพิจารณาต่อและใช้การพิจารณาอนิจจงทุกขอนัตตาใช่ไหมครับก็<อ>นั่งนั่งให้มันเจ็บสินั่งไปแล้วให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็อย่าไปขยับ ปล่อยให้มันเจ็บไปให้มันหายเองให้มันเกิดเองหายเองอันนี้ความเจ็บไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องหายไปเองเราไม่ต้องไปทำให้มันหายเพราะต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปทำให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันหายเถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปอยากให้มันหายมันไม่ไม่หายมันก็ใจของเราก็จะทุกข์จะเครียดขึ้นมาได้แล้วทุกวันนี้พอมีอะไร กระทบเข้าจิตผมเข้าสมาธิเร็วขึ้นแบบอัตโนมัติผมไม่รู้เกิดจากสาเหตุจากวิธีที่ผมทำนี้หรือเปล่าและผมมาถูกทางหรือเปล่าครับก็สมาธิก็เป็นการหลบ ก, การที่จะไม่หลบ ก, ก็คือไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราสัมผัสนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ อยู่กับมันไปอยู่กับมันเฉ ย, เฉยไ ป, ปแต่ยกเป็นปัญญาคำถามต่อไปจากคุณสุดยอดมีทัพ์ดีผมนั่งสมาธิได้ประมาณสองชั่วโมงเกิดการเจ็บหัวเข่ามากคล้ายจะหักปวดมากๆจนแทบจะนั่งต่อไม่ไหว แต่เคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าให้ฝึกข้ามเวทนาให้ได้โดยผมพยายามจะดูลมต่อแต่ไม่ไหวปวดมากมากเลยพิจารณาคำว่าปวดแทนโดยพิจารณาคำว่าปวดปวดปวดปว ด, ปวดอย่างต่อเนื่องจนสักพักความปวดหายไปคล้ายกับจิตแยกจากเวทนาความรู้สึกตุบตตรงเขา่ายังอยู่แต่ไม่ปวด แต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็กลับมาปวดใหม่อีกผมเลยไม่แน่ใจว่าที่ทํามาถูกแนวทางหรือไม่อย่างไรครับก็ถูกครึ่งเดียวคือใช้สติสติก็จะหยุดความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาจิตหยุดหยุดหยุ ด, ยดอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวพอสติหยุดทํางานความอยากให้มันหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ ดังต้องใช้ปัญญาบอกว่าห้ามมันไม่ได้มันจะปวดก็ปล่อยมันปวดไปสั่งมันไม่ได้อยู่กับมันไปบังคับใจให้อยู่กับความปวดไปอย่านี้ความปวดอย่าอยากให้ความปวดหายแล้วเดี๋ยวพอใจมันมันไม่ต่อต้านมันไม่ต่อสู้มันเฉยเฉยมันก็ไม่ทุกต่อไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่ปวดมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บอีกต่อไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราบริจาคเลือดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปขายหรือไม่ขายแต่เขาว่าเป็นสภาการกุศลแล้วบริจาคได้จะได้บุญไหมคะพระอาจารย์ได้เราได้เขาเขาจะไปขายเลือไปอะไรก็เรื่องของเขาแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ขายเลือดกันเท่าที่ได้ยินจากหมอเลือดนี้เขาส่วนใหญ่เขา ให้ฟรีกับคนไข้มีคำถามฝากถามเจ้าค่ะในชีวิตจริงมีเรื่องอกุศลมากระทบจิตมากมายไม่เว้นแต่ละวันมีความทุกข์จากสิ่ง ที่เป็นอกุศลมากระทบจิตกระทบกายแต่ก็ใช้วิธีภาวนาเล่นๆแบบไม่ได้ตั้งท่านั่งสมาธิแค่เพียงที่ใช้เวลาช่วงว่างๆเก็บพุทโธหรือคำภาวนาอื่นๆเล่นๆพอเรื่องราวมันผ่านไปล่วงเลยไปแต่ละวันจิตมันไม่มีความรู้สึกทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นจิตรู้สึกเบาๆมีคิดบ้างว่าไม่ควรเกิดแต่อีกจิตหนึ่ง มันไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เกิดให้ทุกข์ในใจมีคำถามว่าความคิดบวกกับความรู้สึกเท่ากับทุกข์หรือสุขใช่ไหมเจ้าคะความคิดถ้าคิดไปทางกิเลสความอยากก็จะทำให้ทุกข์ถ้าคิดไปในทางปล่อยวางก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมา คำถามต่อไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งเพิ่มมันก็จะไม่ทุกไม่สุขใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าเราเฉยเฉยมันก็ใจก็จะไม่สุขไม่ทุกเจ้าค่ะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะความสุขความทุกนี่มีใครอยากจะถามหรอือเชิญหรอนเข้ามาเข้ามาใกล้ๆหน่อยคราวน้ญาตถามเจ้าค่ะ เวลาที่เราอุทิศบุญใช่ไหมคะอ่าอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก็ดีให้เทวดาก็ดีเจ้าค่ะเวลานหนูอุทิศหนูอุทิศว่าบุญในที่ได้ทํามาแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติาเราเขาอุทิศให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมมทนาคําถามคือว่าเวลาที่หนูอุทิศทุกครั้งเจ้าค่ะแล้วบุญเก่าที่ที่ท่านทั้งหลายได้โมทนาไปแล้วเจ้าค่ะแล้วเราก็อุทิศใหม่อีกครั้งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่าจะยังสามารถ เหมือนโมทนาบุญเดิมซ้ำได้หรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ได้หรอกมันเหมือนกันที่เราใช้ไปแล้วเราจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้ยังไงมันไม่มีให้เราใช้แนละ้วเราก็ต้องสร้างบุญใหม่ทุกครั้งที่เราอยากจะอุทิศบุญใหม่เราก็ต้องทำบุญใหม่บุญเก่านี้ใช้ไปแล้วคนเข้ารับไปแล้วก็ต้องก็ต้องทำบุญใหม่คำถามจากโยมเจ้าค่ะถ้าเราสามารถอยู่ในระหว่างความ ทุกข์กับความสุขไม่ให้อยู่ระหว่างกลางเจ้าค่ะอันนี้คือเราฝึกแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะคือต้องอยู่ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยู่กับสุขได้เราก็ต้องอยู่กับทุกข์ได้ือเวลาสุขมาเราก็อยู่กับมันไปเวลาทุกข์มาเราก็อยู่กับมันไปเหมือนกับเราอยู่กับความสุขเราก็จะไม่ทุกข์กับมันก็คือไม่ต้องยึดติดกับความรู้สึกแค่รู้เฉยๆใช่ไหมเจ้าคะอย่าไปยึดไปติดเพราะถ้าไปติดสุขเดี๋ยวเวลามันหมดไปก็ทุกข์อีก แ้วถ้าไปลังเกียจทุกเวลามันโผล่ขึ้นมาก็ก็ทุกข์อีกยันต้องไม่ลังเกียดไม่รักไม่ชังอยู่เฉยๆสุขก็ไม่รักทุกข์ก็ไม่ชังเฉยๆมาได้เหมือนเหมือนร้อนกับหนาวร้อนก็ได้หนาวก็ได้ครับสาธุจค่ะมีคําถามใหมห่หรือยังยังไม่มีเจ้าค่ ะ, ะ, ะการฝึกจิตนี่ก็ฝึกให้ใจเราเป็นกลาง ไม่ได้ไปเผือกับสิ่งต่างๆให้เป็นกลางสี่ต่างๆเราไปให้เขาเป็นกลางไม่ได้บางทีเขาเ <c oughs> ขาก็สุขบางทีเขาก็ทุกข์บางทีเขาก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือใจเราให้มันเป็นกลางใจเราเฉยๆเป็นอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาเกิดได้สองระดับด้วยด้วยสติพือฝึกสติบ่อยๆหยุดความคิดปรุงแต่ง พอจิตหยุดคิดหยุดหุปรุงหยุดยากมันก็มันก็จะเป็นกลางจะเฉยเฉยแต่ถ้าใช้สติมันก็จะพอเวลาหมดสติมันก็จะกลับมาลักมาชังเหมือนเดิมถ้าจะให้มันเป็นกลางตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เราไปลักไปชังเขาไม่ได้เพราะไปลักไปชังแล้ว เ, เราจะทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เขาจะให้เรารักตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนจากรักมาเขาเป็นสิ่งที่เราชังเราก็ต้องเปลี่ยนพอเราชังเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราต้องปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เราไม่ต้องไปรักไปชังเขาเฉยๆไปรับลู่ไปเฉยๆมีคาถามจากคุณก้องกสิทธิ์เจ้าค่ะ กราบเรียนถามพระอาจว่าถ้าเราเบื่อเพื่อนร่วมงานที่ทํางานไม่เป็นเวลาเช่นเสาว์อาทิต์ทั้งที่วันอื่นก็มีเวลาว่างและรู้สึกว่ามีอคติกับเราเสมอแต่ในกลุ่มก็รู้สึกว่าจะมีแค่ผมคนเดียวผมจะทําอย่างไรดีครับเออเราก็ต้องปล่อยวางเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปทําให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ถ้าก็เป็นสับประรดจะให้เขาเป็นกล้วยก็เป็นไม่ได้ เราให้ก็เป็นสับประรดไปแล้วก็อยู่กับสับประรดไปกินสับประรดไปถ้าไม่มีกล้วยกินก็ต้องกินสับประรดไปถ้าอยู่กับคนแบบนี้ก็ต้องอยู่กับเขาไปจนกว่าอาจะมีเหตุทำให้เราไปคนละทางก็ไปคนละทางคำถามจากคุณพิทักษ์กิมสุงเนินกราบขอโอกาสครับกิเลสอย่างหยาบเป็นเช่นไรครับ มีอะไอย่างหยาบก็เป็นกินเลสที่เห็นได้ง่ายได้ชัดเช่นความโลภความอะเอาลัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวนี่บางทีมันเห็นได้ชัดกว่าความหลงนี่มันจะเห็นได้ยากกว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราหลงแต่เรากําลังหลงกันอันนี้ยากละเอียดคําถามจากคุณอติวัตรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การ น, นั่งปฏิบัติทุกๆครั้งขาจะหนักทุกครั้งและกว่าจะหลุดเบาใช้ภาวนามาปฏิบัติทุกใหม่เจ้าขาคือปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายให้มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งส่วนร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณตาหวานศิรษฐศมี กราบถามพระอาจารย์ค่ะจำเป็นไหมคะที่ต้องนั่งสมาธิในป่าช้าหรือนั่งกระสบที่ที่เรากลัวเจ้าค่ะคือถ้าเราอยากได้จิตที่สงบมากเราก็ต้องไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีใครมารบกวนแล้วถ้ามีสถานที่ที่มันน่ากลัวนี่มันจะบังคับให้เราเข้าข้างในได้ง่ายเพราะถ้ามีของสวยๆงามๆอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันอดดูไม่ได้มันก็จะไม่เข้าข้างใน นั่อยากจะเข้าข้างในต้องไปอยู่ที่มันมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าดูไม่อยากดูมันก็จะปิดตาแล้วก็พูดโทรพูดโธ <c oughs> มันก็จะเข้าข้างในได้ง่ายกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ในการปฏิบัติภาวนาหากไปปฏิบัติในที่ห่างไกลจากครอบครัว กับสร้างบ้านในบริเวณที่ดินของครอบครัวแบบใดจะเอื้อต่อการภาวนาได้มากกว่าการเจ้าขาก็แล้วแต่ที่ไหนก็ได้ที่ทำให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นคำถามต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์สีลห้ามีโอกาสบรรลุโสดาบันได้ไหมครับ คือถ้าเรามีสมาธิอยู่แล้วนี่ก็จะถือศีลห้าก็ได้ไม่ต้องถือศีลแปดก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่เราต้องอาศัยศีลแปดฝึกสมาธิก่อนเพราะเราจะต้องไปเก็บตัวเก็บตัวก็ต้องถือศีลแปดคือไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงอะไรเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิให้เป็นชาญก่อน แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิมีฌานแล้วเราไม่ต้องไปฝึกสมาธิก็ได้ไม่ต้องไปถือสีลแปดก็ได้เราก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาอะไรแล้วปล่อยวางได้มันก็บรรลุธรรมได้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคือเรื่องเรื่องศีลนี้มันก็เป็นตัวสนับสนุนให้ใจเข้าสู่ความสงบ ถ้าใจเรายังไม่มีความสงบนี่เราจะไปใช้ปัญญาไม่ได้ไม่มีกำลังพอที่จะไปหยุดความอยากได้ถือศีลห้าก็เราก็ไปหยุดความอยากเที่ยวไม่ได้อยากกินอาหารเย็นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องไปถือศีลแปดก่อนเพื่อไปสร้างกำลังของสมาธิเพื่อให้ลดให้ให้ลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปได้ก่อน เมื่อเรามีกําลังหยุดความอยากได้แล้วทีนี้เราจะไปถือศีลนัไม่ถือศีลก็ไม่มีปัญหาเลยเหมือนเวลาเราหัดว่ายน้ําเนี่ยตอนที่เราว่ายน้ําไม่เป็นเราก็ต้องใช้ห่วงยางเกาะห่วงยางหัดว่ายไปก่อนแต่พอเราว่ายเป็นแล้วเราจะใช้ห่วงยางก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ไม่สำคัญสาคัญว่าเราได้ไว่ายน้ําได้แล้วแต่ถ้ามีเครื่องชูชีพมันก็ดีมันทําให้เราไม่เหนื่อย มีห่วงยางเกาะไว้ก็ดีกว่าไม่มีถึงแม้ว่าเราจะว่ายน้ําเป็นก็ตามถ้าเราต้องว่ายไกลๆนี่มันบางทีมันก็เหนื่อยได้นะแต่ถ้ามีห่วงยางมันก็ไม่เหนื่อยอยัในใดถ้าเรามีศีลคอยสนับสนุนการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องใช้กําลังมากศีลก็จะทําให้เราไม่เหนื่อยอยันใดที่ฝึกศีลได้ศีลแล้วมักจะไม่ทิ้งศีลจะรักษาศีลไปเรื่อยๆเพราะเห็นคุณประโยชน์ของการมีศีล มีคำถามจากคุณจตุรนนะคะกราบนมามัสการขอความเมตตาจากหลวงปู่ครับกราบผมพยายามภาวนาพุทโธจ่ออยู่กับปัจจุบันแบบเร็วๆไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นกับมาพุทโธเริ่มเห็นว่าขันห้าเกิดดับแต่จิตไม่ได้ละเอียดละออแยบคายอะไรครับผมตั้งสติถูกต้องใหม่ครับผมไหนอ่านใหม่ทีทีได้ไหม กระผมพยายามภาวนาพุโทโธจ่ออยู่กับปัจจุบันแบบเร็วๆไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นกลับมาพุโทโธเริ่มเห็นว่าขันท่าเกิดดับแต่จิตไม่ได้ละเอียดละออแยบคลายอะไรครับผมตั้งสติถูกต้องไหมครับผมถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรก็ถูกต้องแต่ยังต้องไปกไกลนะ การเจริญสติการใช้พุโทโธนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเป็นการเจริญสติไปขั้นต่อไปก็ต้องไปนั่งให้จิตมันรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนมีคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะมีคนบอกว่าตักบาตรต้องใส่น้ำลงไปในบาตรพระด้วยไม่งั้นอุทิศส่วนกุศลไปญาติจะไม่มีน้ำกินจริงไหมคะ ข้าวก็แช่ใส่ก็ใส่บาทไม่มีใครก็ททำกันหรอกขวดน้ำก็เรื่องของกวดน้ำใส่บาทก็เรื่องของการใส่บาทคนละเรื่องกันทำจริงกวดน้ำจริงๆไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพราะสิ่งที่เราขวดไม่ใช่น้ำสิ่งที่เราขวดก็คือบุญบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทาบุญใส่บาทฉะนั้นเวลาอุทิศบุญจริงๆนี่ พอเราใส่บาตรเสร็จเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจเราก็อธิษฐานจิตไปในใจได้เลยว่าขอทิเทาขออธิษฐ า, านความรู้สึกนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อเขาจะได้มีความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับเราะยั้นการอุทิศบุญจริงๆนี้ไม่ต้องใช้น้ําน้ํานี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเพราะบุญเป็นนมามธรรมเราไม่สามารถมองเห็นได้กับตาเราก็เอาน้ํามาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสมมุตินที่คือบุญนะ เราเทบุญจากแก้วนี้มาใส่เทน้ําจากแก้วนี้มาใส่แก้วหนึ่งก็เหมือนกับเราเทบุญจากใจของเราไปสู่อีกใจหนึ่งทั้งเองอย่างนั้นน้ำไม่สําคัญแต่อย่าไปเทน้ําใส่บาดพระนะเดี๋ยวจะโดนตีหัวนะเดี๋ยวฟ้าบาดเ้าหัวนะมีคําถามจากคุณชาญวัดค่ะรบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับ การอยากเข้าถึงนิพพานถือเป็นกิเลสหรือไม่ครับขอบคุณนะครับถ้าขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นกิเลสเพราะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนี้แม้แต่จะอยากไปนิพพานก็ต้องหยุดเพราะมันเป็นความอยากเหมือนพระอนุ น, นี้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วถึงคืนสุดท้ายแล้วที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่จะต้องเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่มันยังเข้าไม่ถึงก็เลยกังวลยิ่ ง, ก, งกังวลก็ยิ่งยิ่ง ยิ่งทำให้จิตฟุ้งเพราะอยากจะเข้าตามที่พระเจ้าบอกจนกระทั่งเกือบจะสว่างก็เลยคิดว่าไม่มีทางที่จะเข้าได้นะก็เลยเลิอกอยากเข้านอนดีกว่าพอทำท่าจะนอนนั้นมันก็เลยเข้าเลยทีนี้เพราะไม่มีความอยากมาขวางทางนั่นอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแต่ขั้นก่อนนั้นต้องมีความอยากไปนิพพานถึงจะทาบุญได้ถึงจะรักษาศีลได้ถึงจะปฏิบัติทําได้ ถ้าไม่มีความอยากไปนิพพานก็ไม่รู้ทาบุญไปทำไมไม่รู้จะรักษาสินไปทำไมไม่รู้จะปฏิบัติธรรมไปทำไมเย่างนั้นมันมีขั้นของมันพอถึงขั้นที่มันต้องต้องหยุดความอยากนั้นเพราะมันขวางทางเราก็ต้องหยุดมันแต่ถ้าถ้าเป็นขั้นที่มันดึงเราให้ไปเราก็ต้องใช้มันไปค่ะคำถามต่อไปข อ, อน้อมในะมาตรการขอรับเวลานั่งสมาธิแล้ว จะมีอาการเคลิมเคลิมวูบๆูคล้ายจะหลับแต่ถ้าแต่ค่าน้อยก็พยายามทำความรู้สึกตัวว่าจะหลับแต่สุดท้ายก็เผลอหลับจนได้ขอรับจะแก้ไขอาการหลับนกแบบนี้ได้อย่างไรดีขอรับสาธุลุกขึ้นมาเดินจงกรมพอรู้จากเคลิมแล้วก็แสดงว่าสติหมดกาลังนะลุกขึ้นมาเดินจงกรมดีกว่ามาเจริญสติใหม่มาสร้างสติให้มีมากขึ้น เดินขึ้นลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พูดเธอเหมือนตอนที่นั่งแล้วพอมีกำลังแล้วอยากจะนั่งค่อยกลับไปนั่งใหม่คำถามจากคุณสุดยอดมีสัพตีผมขอหลักการข้ามเวทนาขณะนั่งสมาธิอีกครั้งครับก็มีสองขั้นขั้นแรกก็ใช้สติเวลาจิต เวลานั่งแล้วเกิดอาการปวดตามร่างกายก็อย่าไปสนใจดึงใจให้อยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วพอจิตไม่ไปคิดถึงความเจ็บความทุกข์ใจก็จะหายไปก็จะอยู่กับความเจ็บได้แต่พอเราหยุดบริกรรมเมื่อไหร่มันก็อยากขึ้นมามันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่อยากจะให้มันหายอยากอย่างเทาวอก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากสอนว่าอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากยิ่งทุกข์ ไปห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราต้องาดอยู่กับความเจ็บให้ได้ยอมรับความเจ็บให้ได้พอเราอยู่ก็ได้ยอมรับไม่ได้ยอมรับกับมันได้ไม่ไม่มีความอยากให้มันหายไปเราก็จะหายทุกเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ทุกชนิดต่อไปคาถามจากคุณจรัญญาการมีสติที่การพิจารณาใช้ร่างกายสังขารนี้ โดยดูที่การกระทำทุกขณะจิตหรือเวลาชีวิตที่หมดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็มีหลายหลายวิธีเพื่อให้เราได้ฝึกสติถ้าเรามัวแต่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ ค, คิดว่าเวลาผ่านไปผ่านไปเรากาลังทำอะไรอยู่มันก็จะดึงสติให้เรากลับมาว่าเราควรที่จะไปจําศีลควรที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เราก็ต้องพยายาม เจริญสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็มีหลายหลายหลายวิธีหลายระดับด้วยกันของการเจริญสติคําถามจากคุณแม่มดกราบถามเจ้าค่ะทําไมมนุษย์ต้องแย่งสามีภรรยากันเจ้าค่ะใ <Okay. S 2> ช้ใ <Okay. S 2> <laughs> ช้ร่วมกันไม่ได้หรือเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> ถือเมตตาเกินไปไหมเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันได้บางคนเข า, เขาก็อยู่ด้วยกันได้มีสามีคนหนึ่งมีภรรยาหลายคนเช่นศาสนาอิสลามเขาก็อนุญาตให้มีภรรยาได้สี่คนก็อยู่ที่ว่าตกลงกันได้หรือเปล่าถ้าตกลงกันได้ก็ถือว่าอยู่ร่วมกันได้แต่มันจะไม่มีความสุขเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็อิจฉาคนนี้ก็อิจฉาเอทําไมไปอยู่กับคนนั้นมากกว่าอยู่คนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องกันอ เห็นเอาเอาคนเดียวดีกว่าจะได้ปัญหาจะได้น้อยแม้แต่อยู่คนเดียวอยู่กับแฟนก็ยังมีปัญหาด้วยกันเลยดีไม่ดีก็ไม่ต้องมีดีกว่าไม่ต้องไม่มีแล้วปัญหาก็จะไม่มีสบายกว่าเาข้าสุดท้ายแล้วนะหมดเวลาแล้วค่ะเจ้าค่ะคําถามจากคุณสมาธิใจบริสุทธิ์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอุเบกขาในชาติสี่เป็นอย่างไรนะเจ้าค่ะเหมือนกินอิ่มแล้วเป็นยังไงต้องกินถึงจะรู้ อธิบายไม่ได้พุดโธไปพุดโธรไ ป, ททรไปเหมือนกินข้าวกินไปไม่ต้องมาถามว่าอิ่มแล้วเป็นยังไงกินเข้าไปเถิดอิ่มแล้วก็รู้เองอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับของจริงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนี่ยอยากจะรู้ว่าอุเบกขาในสมาธิเป็นยังไงก็ต้องพุดโธพุดโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ